พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่21เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่านักท่องเที่ยวตัวยงเห็นไหมลูกหลานกลางเต็นท์แล้วนาะวันนี้นะ ไทยเบบมากลางเต้นให้แหละมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไทยเบตถวายเต้นให้หลวงพ่ออีกหหลังหลวงพ่อจะมอบให้บ้านนายูงสองหลังบ้านนาแคสองหลังบ้านเพิ่มสองหลังะ แต่จะเอานำมาใช้ก่อนเพิ่งเอามาเมื่อวานนะี่หลังละหมื่นกว่าบาทนะลูกหลานนะประมาณหลังละหมื่นหมื่นสามพกว่าบาทมั้งแต่แต่หลวงพ่อจะนํามาใช้ก่อนใช้ในงานวันที่27ดผ่านไปแล้วก็ยังค่อยให้คูบาประสานไปทางออหมู่บ้านของเขาไปมารับผู้เยี่ยบ้านผู้สงฆ์คนพุทธ ส่งคุณวุฒ์ในหมู่บ้านของเขาให้มารับเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้มอบให้เพราะทางบริษัทเห็นว่าหลวงพ่อได้มอบเต็น์ปีที่แล้วทั้งหมดมีอยู่สิบสองหลังมั้งที่หมู่บ้านในละแวกนี้แต่นั้นท่านเขาก็ได้ยินท่านก็ได้เห็นว่าชาวบ้านมีความจาเป็นจะ ต, ต้องได้ใช้เต็น์ เวลามีการมีงานไม่ว่าจะงานศพงานแตง่งงานงานขึ้นบ้านงานบุญบ้านงานอะไรที่เกิดใน ห, หมู่บ้านของเขาเขาก็จําเป็นได้ใช้เต็น์หลวงพ่อเขามาขอเต็น์เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ให้เต็น์ไปปีนี้ทางบริษัทเห็นว่าหลวงพ่อให้ชาวบ้านเมื่อปีที่แล้วท่านก็เลย เอามามอบไพปีนี้หหลังหลวงพ่อก็ได้ไปชุมกับพระและกรรมาการแล้วก็น่าจะให้หมูบ้านใหญ่ๆหมูบ้านใหญ่ๆให้หมูบ้านใหญ่ก่อนต่อไปหมูบ้านเล็กยังค่อยให้แต่มีคนมาถวายอีกลงพ่อก็จะได้มอบไพ่อีกเป็นหมูบ้านหมูบ้านไปวันนี้พระ ครบาท่านครูบาท่านเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมในวัดของเราเขาก็ถามว่าหลวงพ่อวันนี้จะออกทางวิทยุไหมเพื่อจะได้ทดสอบทดลองแลวันที่26 27ิ่สเเราจะได้มีการในในวัดของเราหลวงพ่อเออเอาวันนี้ออกได้ทดสอบทดลองดู เพราะว่าถ้าเราไม่ทดสอบทดลองไม่รู้ว่าจะออกได้หรือไม่เพราะว่าวัดของเรามีทั้งกระรอกกระแตมีทั้งหนูมีทั้งตัวตุ่นบางทีสายฝังดินก็มีโผลขึ้นบนดินก็มีเพราะนั้นหลวงวันนี้จึงมีการทดสอบทดลองนะคณะสัตาาาญญายาติยมลูกหลานทุกคนจะอยู่ในเขตอาเภอนายูยงน้ำโสมระแวกนี้ ในหมื่นเมื่อได้ยินเสียงอันนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นเสียงหลวงพ่ออินวัดป่านาคำน้อยสถานีวิทยุออกจากวัด 107.25 เมกะเฮิรตเพื่อกระจายเสียงในท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวการกุศลแล้วก็วันนี้เป็นวันที่21วันที่21 เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันเริ่มแรกเริ่มอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราคณะทายาิโจมลูกหลานให้เตรียมพร้อมเรื่องงานวันที่27เพราะวันที่26เป็นงานสวดมนต์เย็นจะสวด พระปริตตะมงคลพระสงฆ์จะมาสวดและก็พร้อมกันก็คงจะมีการฟังพระธรรมเทศนาและก็ตอนเช้าวันที่7ก็จะมีการตักบาตรใส่บาตรรอบศาลาอย่างที่พวกเราเคยทำทุกปีที่ผ่านานมาปีนี้ก็คงจะทำอย่างเก่านั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นขอแจ้งข่าวให้คณะทัดทา ญ, ญาติโยมลูกหลานในละแวกนี้หลวงพ่อไม่มีบัตรเชิญไม่มี ดีกาแต่นิมนต์ไม่มีดีกานิมนต์แต่พระสงฆ์ลูกหลานหรือตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะเข้ามาก็เออเข้ามาได้นะ เ, เข้ามาด้วยเจตนาหวังดีมาด้วยเจตนาดีอย่ม้มาเพื่อ ย, อยังอื่นถ้าเมื่อมาแล้วนะให้สำรวมระวังสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเรามาสร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้จะมาทำอย่างอื่นเพราะนั้นขอประกาศแจ้งข่าววันที่26 27เป็นการเขาสัทธายญาติโยมจากจากตรทิทศเข้ามาร่วมทำบุญวันเกิดของหลวงพ่ออุ่นง่ายๆนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้จัดงานนะจะว่าไปหลวงพ่อไม่ได้จัดงาน แต่งานมาพลาดมาเกยหลวงพอ่อถ้าว่าคนมาบ้านหลวงพ่อไม่ตอนรับขับสู้แล้วจะทํำยังไงแต่หลวงพ่อให้หลวงพ่อไปเชิญเชิญหลวงพ่อไม่มีการเชยเชิญแต่ถุดแท้แต่ลูกหลานผู้ใดใครจะมาก็เข้ามาได้ถ้าเข้ามาแล้วกัน้นให้ถือเสมือนว่าเป็นญาติโกโหติกาของหลวงพอ่อเป็นลูกหลานของหลวงพอ่อถ้าสิ่งไหนขาดตกบกพร่อง ในวัดของหลวงพ่อก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นแขกนะถ้าว่าใครมาแต่ ว, ว่ามาเป็นแขกหลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อไม่รับแขกนะวันนั้นนะหลวงพ่อรับแต่ลูกตลาลให้ลูกหลานเข้ามาถือเสมือนว่าญาติโกโหติกามีอะไรมีอะไรที่จะต้องจัดต้องทาต้องปฏิบัตินานทีปีหนึ่ง ก็ได้มาพบมาเจอกันถ้าว่าไม่ได้มาพบมาเจอกันก็เหินห่างหางเออเหินห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ควรจะมาพบมาเจอกันมาวิสาสะกันมีอะไรจะได้ปรึกษาปรารถกันเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ไกลแต่ถึงยังไงก็ตามพวกอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหลวงพ่อก็ได้ยินนะโลกทุกวันนี้มันแคบลนะ โลกทวนมันแคบ เ, เขาอะไรเขาลงโซเชียลเอออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กนน่นไปอยู่ที่ประเทศจีนญี่ปุ่นเอออยู่ต่างประเทศ เ, เขาก็ต่างคนก็ต่างมาเวลามาแล้ว ก, ก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังบเขาบอกว่าเขาได้ฟัง เ, เทสนาือวัด หลวงพ่อพูดตอนเช้าทุกเช้าเลยนะหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงโอ้ดีหลวงพ่อพอ่อพวกผมพวกฉันอยู่ต่างถิน่นต่างแดนไกลจากบ้านจากเรือนจากญาติพี่น้องอพอได้ยินเสียงหลวงพอ่อแสดงธรรมเสียงหลวงพ่อพูดก็เหมือนตัวเองอยู่ในในเมืองไทย <c oughs> ไรับความอบอุ่น หลวงพ่อแสดงธรรมเทศมีประโยชน์สําหรับพวกผมที่อยู่ทางไกลโอ้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็พอใจกับลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อพูดวันนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานอยู่ต่างชาติต่างแดนที่ไปทํามาหาเลี้ยงชีพไปหาเงินอยู่ในต่างแดนหลวงพ่อก็ข อ, ขอแจ้งเขาให้ลูกหลานวนาะวันที่ยี่7กยิบเจ็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อ ถ้าไม่ได้มาก่อนนั้นนะให้ประกอบคุณงามความดีเออวันนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อพวกเราได้ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อของเราอบรมมาหลายมานานยาวนานออหลายเดือนออหลายครั้งออวันนี้เป็นวันเกิดของท่านข้าพเจ้าไม่ได้ไปข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าออตามที่หลวงพ่อได้แนะนำ สั่งสอนบอกกล่าวที่พวกเราได้ยินหลายๆครั้งข้าพเจ้าจะยึดพุทธทางธรรมังสังขังพุทธะธรรมะสังฆะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าในวันที่26่สิบหกหรือยี่าิเจข้าพเจ้าจะไม่คิดขโมยข้าพเจ้าจะเคารพในสาสิตสามีภรรยา ข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราหนะลวงพ่อถ้าหาวันลูกหลานปฏิบัติตนได้เพียงเท่านี้ะในวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะอยินดีพอใจอย่างมากนะลูกหลานนะแต่ทาหาว่าลูกหลานถึงวันเกิดหลวงพ่อแล้วไปดื่มสุราไปกินเหล้าหัวลาน้ำหนะลวงพ่อนะรู้สึกเสียความรู้สึก ที่หลวงพ่อได้เทศนาว่าการอบรมแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีกับมาทําสิ่งนั้นขึ้นมานในวันนั้น เ, เหมือนกับประชดประชดประซานหลวงพ่อไม่ดีนะลูกหลานเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ณสถานที่ใดก็ตามในเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วก็ให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งได้ไหมหลวงพ่อขอบิณธบาศ ขอร้องพี่น้องจัท t าญาติโยมลูกหลานให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งให้มีศีลห้าสักวันหนึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัต t าญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันพวกเราไปแ ส, สวงหาทรัพย์ถึงจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย ถึงเราจะเป็นผู้ยากจนแต่เราไม่ยอมท้อเราเป็นผู้บักบันคนที่ขยันยอมหาทรัพย์ได้คนที่มีปัญญายอมหาทรัพย์ได้อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดให้ขยันแล้วก็ให้ใช้ปัญญาและให้รู้จักเก็บให้รู้จัก หาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ในเมื่อเราได้มาแล้วให้เราคิดเราไปอยู่ต่างแดนแล้วเราคิดว่าอีกสักวันหนึ่งเราอาจจะได้กลับเมืองไทยอีกวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้กลับเมืองไทยเงินของเราได้เตรียมพร้อมเพียงพอหรือยังสิ่งเราได้อยากจะให้ลูกหลานทุกคนเก็บหอมลอมริบเพื่ออนาคตของตัวเองในเมื่อ เราไปต่างถิ่นต่างแดนจะไปใช้อิุยชุยแฉกใช้ชุวยหลุดช่วยไหลถ้าใช้ให้หมดมันก็หมดนะเงินคำทรัพสมบัติถ้าหาใช้ให้เหลือมันก็เหลือแต่ควรจะใช้ให้เหลือนั่นแหละเพราะว่าชีวิตของเราน่ยไม่ใช่มีแต่วันนี้วันเดียววันพรุ่งนี้มะลืนนี้ปีต่อไปปีต่อตๆไปอีกไม่รู้ว่าวันไหนละชีวิต ตัวของแต่ละคนจะจุดจบลงได้ถ้ามันจบเร็วก็ไม่เป็นไรมันตายแล้วก็แล้วไปแต่ยังไม่ตายนีย่เเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไม่ใช่แต่ของเราคนเดียวเราต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอีกด้วยเพราะนั้นให้เก็บหอมรอมริบนะไปอยู่นสถานที่ใดให้วางแผนอนาคตของตนเองหลวงพ่อมาพูดถึงจุดนี้หลวงพ่อก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพี่น้องอิสระ อีสานของพวกเราเนี่ยโดยมากพี่น้องอีสานเนี่ยมีเท่าไหร่กินหมดอไม่ได้คิดวางแผนอนาคตจุดที่วางแผนอนาคตเนี่ยอีสานนี่ ย, ยังด้อยอยู่มากนะลูกหลานนะหลวงตานี่ยเป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันเพราะนั้นพี่น้องลูกหลานนอคนทางลูกหลานทางอีสานไปอยู่นสถานที่ใดพอได้มาแล้วก็กินเลี้ยงกันอพอไปทํางานเสร็จแล้วพอได้เงินมาแล้วก็ จุดงานซะก่อนมาใช้เงินซะก่อนอพอใช้เงินหมดใกล้จะหมด ล, ล่อยลอเก็ไปทํางานอีก เ, อเนี่ยหลวงพ่อว่ามันไม่น่าจะถูกนะคิดค่าว่าเราทํางานจบแล้วเรายังน้อยหนุ่ม เ, เราก็ควรจะเก็บรักษาไว้ถ้าวันเราเท่าแก่ชะลามาเราก็จะได้ใช้เงินก่อนนั้นในเมื่อเราเป็นน้อยหนุ่ม เ, เราต้อง ทนทุกทรมานให้ทุก เ, เมื่อเท่าแก่ชรามาเราก็จะได้สบายแต่คนโดยมากถ้าเป็นน้อยเป็นหนุ่มสุขสนุกสนานกินเหล้าเมายาสัมภเลเทเมาเมื่อเท่าแก่มาแล้วเนี่ยเราจะได้รับความทุกข์นะลูกหลานนะในพุทธพาสีลราเป็นพระบาลีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอน เป็นพุทธภาชีเป็นพระบาลีด้วยนะท่านว่าทุกขษาสะนันตลังสุขขังในเมื่อน้อยหนุ่มเป็นทุกข์ทุกขษาน้อยหนุ่มเป็นทุกข์เพราะการส่อแสวงการสาะแสวงหาทรัพย์การข่ำกลางคืนไม่ได้หยุดได้ย่อนเพราะหาเงินหาทรัพย์สมบัติมันทุกข์แต่สมัยน้อยหนุ่ม แต่เมื่อเราได้เงินคำทรัพย์สมบัติเมื่อน้อยหนุ่มเราจะสบายเมื่อปลายมือเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วเราจะได้สบายอันนี้แปลว่าทุกขษาสะนันตลังสุขขังแต่ถ้าบางคนลูกหลานบางคนสุขคขษาสะนันตลังทุกขังอันนี้แปลว่ายังเมื่อสมัยน้อยหนู่มมีแต่เที่ยวมีแต่เตะไม่รู้จักเก็บ หอมหลอมลิบได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่พอเท่าแก่ชลามาแล้วหาหลักทรัพย์ไม่ได้นี่สมสารไปเรื่อยไปหาพึ่งพี่น้องไปหาพึ่งลูกพึ่งล้านเ่เขาก็ไม่อยากจะให้พึ่งนะเพราะว่าไม่มีสมบัติวันนั้นท่านจึงบอกว่าสุขคตสาสะนันตลังทุกขัง เมื่อเรามีความสุขเมื่อต้นมือเราจะมีความทุกข์เมื่อปลายมืออันนี้ให้ลูกหลานคณะรทาญาทโยมฟังไว้สอนลูกสอนหลานอ่เพราะฉะนั้นการเก็บหอมลอมเริบให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อันนี้เป็นประโยชน์มากนะลูกหลานและก็พร้อมกันให้ลูกหลานทั้งหลายอย่าลืมศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจ พวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ฟังธรรมเทศนาได้ฟังธรรมคาสอนของพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่า น, า น, านยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญเนอตายแล้วเกิดเอกตัวที่เกิดนั่นคืออะไรคือวิญ ญ, ญาณคือดวงใจถ้าว่าพวกเราตายแล้วสูญก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยจะจบไป แต่คนสัตว์ทางหลายเนี่ยตายแล้วไม่ศู์ร่างกายตายจริงแต่จิตใจคือตัวผู้รู้นา ม, มธรรมเนี่ยออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็นเลยตั้งชื่อว่าดวงวิ ญ, ญญาณใจของมนุษย์เนี่เนนเย เ, เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงคล้ายกับว่า ไม่รู้ไปที่ไหนตัวที่ไหนในจั ก, กรวาลไปได้ทุกแห่งแห่งหนถ้าตัวเองทํากรรมชั่วทําที่ไม่ดีไปตกนรกไปใช้กรรมอยู่นรกถ้าทํากรรมไม่มากเท่าไหร่ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชานนานับประการไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชานถ้าว่าเราทําคุณงามความดีมาเกิดเป็นมนุษย์หรื อ, อไปเกิดเป็นเทวดาก็มีนะ ดวงวิญญาณรับวิจัยของแต่ละคนเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาจุดนี้ให้ฟังวิธีการพิสูจน์วิธีการศึกษาท่านกม็มีวิธีการศึกษาวิธีการพิสูจน์พระพุทธเจ้าพิสูจน์อย่างไรท่านถึงเชื่อยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเสด็จหนีออกจากเวียงวังตามลาพังไปกับนายชันนะไปอยู่ ไปถึงต่างแดนไปถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงผนวดคือบวชเอพอท่านบวชท่านก็เหมือนกับ น, นักพรตนักปวดทั่ ว, วไปท่านกระบาเ พ, พ็ญพรตจุดเป็นเวลาถึง6ปีจากนั้นพระ อ, องค์วันเดือนหเนพนพระองค์ก็ได้นั่งขัดสมาธิ เ, าเมื่อขัดสมาธิใจพระ อ, องค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพื่อนั่งสมาธิพระ อ, องค์ก็รู้ได้ว่า ปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติได้แต่ว่าใจดวงนี้มันไม่มันไม่ศูนย์นะมันเกิดอกเอกพระองค์จร ะ, ะลึกชาติทั้หลายหลังและยาวเยียดเลยนี่แหละวิธีการพิสูจน์เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศนะูนยะอย่าไปนึกเดาเอาอย่าไปคาดคะเ น, นอย่าไปประมาณการ อย่าไปเชื่อคนอื่นที่เขาบอกว่าตาแลขศูนย์ก็ไปเชื่อเขาให้พิสูจน์ด้วยตนเองอพิสูจน์ก็อย่างเนี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาพิสูจน์มาแล้วนั่งกัดสมาธิเหมือนพระประธานเนี่ยที่นั่งต่อหน้าของพวกเราเนี่ยท่านนั่งอย่างนี้แหละพอนั่งอย่างนี้แหละกำหนดลมหายใจเข้าบอกลหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์จะรวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่เดี๋ยวนี้จิตใจของเราแตกผ่าไปหมดเหมือนลูกคิดอะไรตัวคิดอะไรคิดอะไรตัวคิดอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเผอิญจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะแนวความคิดของตนเองอีกก็มีอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะ ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมจิตใจรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนี่แหละหลักพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันชั่วสิ่งที่มันชั่วจะทำให้ตนเองตกทุกข์ได้ยาก ต่อไปภายภาคหน้าเราอย่าทำเอ่ที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาจิตว่าอากตังลุกตังเส้ยโย่กรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแล้จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ใช่คนอื่นนะตัวเองทําตนเองต้อเดือดร้อนตัวเองจับไฟตนเองก่ไฟของไม่มือตัวเองเอตัวเองเอไม่ใช่ไม่มือคนอื่น เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะติดคุกติดตารางจะได้รับความฟ้องร้องเรียนต่างๆเพราะเหตุใดเพราะกรรมชั่วคือการกระทําของตนเองเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่านะเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนนะตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่านั่นแหะ อยากจะให้ลูกหลานพิสูจน์ในเมื่อพิสูจน์วตายแล้วเกิดเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีเรจะได้สร้างบุญสร้างากุศลใส่จิตใจเลยเออบุญกุศลของเรามีเพียงพอหรือยังพร้อมหรือยังหนาที่เราออกจากยับขยายออกจากภพนี้ชาตินีเ้เรามีเป็นเครื่องอุ่นใจหรือยังถา้าพวกเราหลังยางลเลืกถึงคุณงามความดียังไม่เจอไม่พบอยู่ลนะ เราไม่ควรประมาทนะควรประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์เป็นคนดีลนะพูดง่ายๆในเมื่อเป็นคนดีแล้วความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตใจใจของเราเมื่อใจของเราดีแล้วมีเหตุมีผลแล้วมีความสุขแล้วมันมันมีความสุขลึกๆนะลูกหลานนะคนที่ประกอบคุณงามความดีนะแต่ถ้าว่าคนที่ทําความชั่วนันจะใจร้อนนะ คิดขึ้นมาหาตัวเองใจมันร้อนอยู่ตลอดหาความสุขไม่ได้ออวิ่งว่อนอยู่ตลอดออทางว่าจิตใจของเราได้รับความสงบภาวนาออจิตใจได้รับการอบรมภาวนาจิตใจของเราจะสงบสงบนิ่งสบายมีความสุขพ อ, อเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขออนัติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนพวกพุทธบริษัทอย่างพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะแต่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, นัตีเนาะแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องก็ช่วยๆกันคิดนะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปอันไหนขาดเหลือขาดตกก็ช่วยๆกันคิดทั้งกูบาในวัดของเราทั้งพี่น้องประชาชนพวกเกี่ยวข้องลูกหลานทุกคนนะ่ะ หลวงพ่อมอบให้ลูกหลานทุกคนนะเป็นหูเป็นตาช่วยๆกันอั น, น, นไหนมันจะสมบูรณ์อันไหนจะเป็นธรรมถูกต้องข้อสาคัญอย่าไปทะเลาะวิวาทกันเท่านั้นแหละถ้าทะเลาะวิวาทกันนะไม่ได้นะไม่ได้บุญนะมาทําได้บาปอีกต่างหากพอมางานหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่ให้ความเมตตาสามัคคีกันไปหาทะเลาะกันไม่ได้นะลูกหลานนะ เวลาจัดการจัดงานหลวงพอ่อเข้ามาหลายๆคนหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ่ะอคนนั่นก็วางแคล้วคนนี้ก็วางเขี้ยวคนนั่นก็วางเขาคนนั่นก็วางเล็บ <c oughs> มันหลายแนวเล้อเกินนะ่ะอหลวงพ่อเป็นห่วงนะลูกหลานนะอย่าได้มีนะอย่างนั้นนะ่ะต้องใจเย็นเย็นต้องใจสบายสบายจิตใจจริงจะมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลติดจิต จ, จิตใจไปนานเท่านานนะเรามาสร้างบุญเราไม่ได้มาเพื่อสร้างบาปนะ หลับผ่อนในเสน่หนะ่